เ่พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมนี่ไม่อ้างการอ้างเวลาอยู่กับหมู่มากก็ฟังธรรมอยู่คนเดียวก็ฟังธรรม ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อยู่คนเดียวฟังธรรมก็คือสังเกตดูความเคลื่อนไหวของอัตภาพร่างกายนี้สังเกตดูความเคลื่อนไหวของดวงจิตนี้ความเคลื่อนไหวของร่างกาย น, า น, น, ยาายนี่ส่วนมากมันก็แปลผันไปในทางไม่เที่ยง แต่ละวันแต่ละคืนมันก็เตือนจิตนี่ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี่มันจะทนทานไปอยู่ไม่นานแล้วนี่อยู่คนเดียวก็ฟังธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ล้วก็ได้ได้รู้เรื่องอันพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็ชี้เข้ามา ที่ร่างกายนี่เตือนให้ผู้ฟังได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่แล้วก็พิจารณาจิตใจตัวเองอย่าพิจารณาแต่กายอย่างเดียวต้องย้อนเข้ามาหาจิตจิตเป็นอย่างไรในขณะนี้จิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าจิตก้นเงีง้ยนครอนแคลนอย่างไร จิตมันรู้แจ้งในกายนี่ทำเป็นจริงอยู่หรือไม่หรือมันดิ้นหล่นไปยังไงอ่ะอันบนี้นะมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องมาเพ่งดูกายดูจิตนี่เสมอไปแต่คนส่วนมากนะั่นไม่ค่อยได้ทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตตัวเอง มีแต่ส่งใจให้คิดไปข้างหน้าข้างหลังส่งใจไปให้เกาะไปคล้องอยู่กับปัตถุภายนอกน้่นเรื่องได้เรื่องเสียเอเรื่องรวยเรื่องจนโมนี่ย้อม บ, บนกันอยู่อย่างนั้นเลยน่นแสดงว่าใจมันพุ่งออกไปข้างนอกนูน ไอ้ผู้รวยมันก็ส่งคิดไปตามการงานต่างๆที่ตั้งไว้ส่งไปกับเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรต่ออะไรหมูนี่แลหละไอ้คนจนเนี่ยนีอ่อ้าวมันก็ส่งคิดไปแส่ไปเราจะไปหาเงินทางไหนหนจึงจะได้เงินได้ทองมาใช้ เราจะไปหาอาหารที่ไหนหนถึงจะได้มาเลี้ยงตัวและครอบครัวถ้าผ้านุ่งผ้าห่มก็รู้สึกว่ามันชำรุดไปจะไปได้เงินที่ไหนหนไปซื้อผ้านุ่งผ้าหม่มบ้านเรือนก็นชำรุดสุดโทรมเจอเงินที่ไหนมาซ่อมแซมสำหรับคนจนแล้วก็มีวิตกเวจรานไปแต่เรื่องขาดแคลนเรื่องบกพร่อง อยู่เช่นนั้นนีลยเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนะ่มันมันจะได้รู้เรื่องของตัวเองได้อย่างไรอะ่ะนั่นเนี่ยมันไปหมายอยู่แต่เรื่องภายนอกนูน่นมันถึงแก้ไม่ตกนะคนเราเนี่ยนะบางคนก็แก้ได้เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนจนมันนั่งนึกกึกกรองดูจิตใจตัวเองเข้าไปแล้วก็รู้ได้เลยว่า แต่ชาติก่อนนนทนตนคงไม่ได้ทำบุญกุศลมาอะไรมากมายเกิดมาในชาตินี้จึงได้กลายเป็นคนยากจนขนแค้นเอาละถ้าอย่างนั้นชาตินี้เราก็จะเริ่มทำบุญไปมีน้อยก็จะทำตามน้อยมีมากก็ทาตามมากถ้าเราจะรอให้ร่ำรวยเงินทองมากมา ก, มากเสียก่อนจึงจะทำบุญนี่คงจะไม่มีหวัง เพราะว่าตนนั้นมีบุญน้อยผู้ใดคิดได้อย่างนี้คนจนมันก็ทำบุญได้แบบนี้นะถ้ามันคิดไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ทำบุญไม่ได้อ้างแต่ว่าตนเป็นคนจนไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นเลย <c oughs> จะไปเข้าวัดขว้ากับเพื่อนกอ็อายเพื่อนตอนเป็นคนจนเพื่อนจะดูถูกดูหมิ่นเอา้ามันก็คิดไปจีปาถาะ เรื่องของคนจนเรื่องของคนรวยถ้ารวยแล้วมีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยอไอ้พวกที่ธนุบำลุงวัดวาศาสนาอยู่ในโลกทุกวันนี้หรือว่าล่วงแล้วมาก็ดีความจริงมันก็อาศัยคนรวยนั่นแหละ คนมีเงินมีทองมากแล้วก็มีศรัทธาเรื่อมใสในพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเช่นนี้แล้วเพื่อนก็เพียรพยายามละบาปออกไปแล้วเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลด้วยการสละจัตุปัจจัยออกมาสนุบบำรุงวัดวาศาสาานานี้แล้วก็พร้อมทั้งสมทานมั่นในศีล ยินดีในการฟังธรรมตามการตามเวลานี่ผู้ร่ำรวยเงินทองนี่ถ้าหากว่ามีศรัทธามีปัญญาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานะก่อนนะ่าาไม่เสียทีจะมีโอกาสที่จะได้ทำกุศลคุณงามความดีได้มากๆทีเดียว เพราะว่าเป็นคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นมาอำนวยผลให้เกิดมามีสติมีปัญญาหาทรัพย์ได้เช่นนี้ก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับคนจนนั้นก็สามารถทำบุญกุศลได้แต่ว่ามก็ ได้ตามกำลังของคนจนจะให้มันเหมือนคนรวยก็ไม่ได้ขอให้มีศรัทธาปัญญาก็แล้วกันคนจนในครั้งพุทธเจ้ า, านั่นก็มีอยู่ท้องใเหมือนอย่างคลามสองโคเมียหนึ่งจนจนว่าหมดทั้งเรือนนั่นมีผ้าห่มผืนเดียวจนถึงขนาดนั่นเน่ยมัในเมื่อ เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายวัดประกาศชักชวนให้คนในเมืองสาวัตถีนั่นไปฟังธรรมกันวันนี้สองพ่อเมก็มาพูดกันว่าในบ้านเรือนของเรานี่ก็มีผ้าห่มผืนเดียวเออ ม, มันเข้าใจว่าแล้วดูหนาวมันหนาวอ่ะสองพ่อเมียก็มาเจรจากันว่า ใครไปฟังธรรมกลางวันใครไปกลางคืนฝ่ายภรรยาก็บอกกับสามีว่าฉันอย่าไปฟังธรรมกลางวันหรอกให้คุณไปฟังกลางคืนซะถ้าผูใ้ใดไปฟังธรรมก็เอาเอาผ้าผืนนั้นห่มไปไปฟังธรรมออตกกลางคืนมาสามีไปก็เอาผ้าผืนนั้นห่มไปฟังธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงทานแสดงผลแห่งทานให้ฟังอย่างนั้นก็เลยเกิดนึกคิดในใจว่าเออเรานี่แต่ชาติก่อนคงไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรมาเกิดมาในชาตินี้จึงยากจนคนแค้น อ, อมดทางบ้านมีผ้าหม่มผืนเดียวนี้ออ่ถ้าอย่างนั้นเราก็จะสละผ้าหม่มผืนนี้ถาวายแดย่พระพุทธเจ้า เทียบเป็นยังไงเรายอมอดหนาวเอาจะไม่ดีหรือจะเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตของเราเจริญสืบต่อไปทันพอคิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอ้ความตันนี่ความหวงมันเกิดขึ้นเอ๊ะถ้าให้ทานไปแล้วจะเอาไหนมาโฮมมันก็คงหนาวกระด้างไปอพอคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ท้อใจให้ทานไม่ได้ ตอนปฐมมายามหัวคำ่ำอองเจ้าแสดงธรรมตลอดคืนนี้ตามว่านี้ทรงแสดงไปแสดงไปฟังไปถึงเที่ยงคืนอา้าวจิตใจ ก, คก็คึกคักขึ้นมาเออเอาแล้วนะเราให้ให้ทานในยบานี้พอเนืกออย่างนี้แล้วไอ้กิเลสตัวนั่นแหละมันก็แล่นขึ้นมาสกั ก, กไว้อืม ก็ให้ไม่ได้ตอนเที่ยงคืนก็ฟังไปฟังไปพอตอนถึงหัวรุ่งจึงค่อยตัดสินใจลงได้พอตัดสินใจได้ก็เปลื้องผ้านั้นออกพับเสร็จแล้วก็เอาอไปวางไว้ใกล้ขบาทของพระศาสด า, ษาแล้วกราบทูลข้าพระ อ, องค์ขอถวายตาห่มพื้นี้แด่พระิภาคเจ้า ด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าค้นทุกข์้นภัยในสงสารนี้พระองค์ก็ทรงรับเอาฝ่าห่มนั้นพามก็ดีอกดีใจหลายก็จึงได้เปล่งวาจากออกมาชิตังเมชิตังเมชิตังเ ม, งเมสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วข้าพเ ขณะนั้นพระเจ้าเปรตอิคุสนก็ลัง น, นั่งฟังธรรมอยู่กับพุทธสวริสัตจ น, นจึงเรียกพรามคนนั้นมาหาแล้วถามดูว่าท่านเอาชนะอะไรจึงว่ากล่าววาจาออกอาจรน์ถึงปันนี่ว่ามันพรามนั้นก็ทูลพระเจ้าเสรตอิุศลว่าข้าพราะองค์เอาชนะความตณีความห่วงเห็น ในผ้าหม่มผืนนั้นได้ถึงกับได้เอาถวายพระสาตราเลยดีใจหลายจึงได้เปล่งอุทานอย่างนี้ออกมาแนั้นพระเจ้าประเสริฐอิปสนก็อนุโมทนาสาธุการด้วยและวันนี้พระเจ้าประเสริฐวิปสนก็มีความเลื่อมใสในพรามคนนั้นว่าเป็นนักเสียสละอันยอดเยี่ยม จึงได้สั่งให้ราช บ, บุรุษให้เสมียนคลังไปเอาผ้ามามอบให้แกรพราม์คนนั้นอีกสี่ผืนเอาพอรับจากพระเจ้าพเศีีกศุศลได้แล้วพอเอาไปถาวายพระพุทธเจ้าหมดเลยเอา่าอ่างนีน้พระเจ้าพระเศียรีกุศลเห็นอย่างนั้นก็พระสั่งให้ เสเมียนคลังไปเอามาอีกแปดผืนพรามก็เอาถวายพระพุทธเจ้าหมดทั้งแปดผืนเลยบัดนี้พระเจ้าเสษมอิกกสนสั่งให้เอาผ้ากัมพลที่มีราคาตั้งแสนกระหาปณะกระหามาอมเข้าใจละกระแสนบาทนี่เนสองผืนเลยบัดนี้มาให้แก่พราม เมื่อพรามได้รับแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะเอาถวายพระสัสดาในขณะนี้พระเจ้าประเสีรที่พระสนี้ก็จะเสียพระไทยจะทรงตำหนิเราเอาแหละตอนนี้เราจงต้องรับไว้ซะก่อนต่อไปค่อยคิดกันใหม่มพรามนั้นก็รับเอาผ้าสองผืนนั้นไว้พอเลิกลาจากการฟังธรรมไป เสร็จแล้วพราหมณ์นั้นก็นเลยเอาผ้ากำพลสองผืนนั่นผืนหนึ่งเอาไปทําขึงเป็นเพดานอตรงที่พระองค์ทรงประทับนั่งแสดงธรรมผืนหนึ่งเอาไปทําเพดานที่พระคันทักุดีห้องที่พระองค์เจ้าประทับตั้งรับแขกอ วันต่อมาพระเจ้าประสเสนอิโกสลไปเฝ้าพระ เ, รเจ้าถึงภาคพันทักุดีเราไปเห็นท่ากัมพลเผืนั้นก็จึงทูลถามพระพุทธ เ, เจ้าก็องค์ก็ทรงตรัสว่าพรามณ์คนนั้นเนี่ยเอามาถึงไว้ที่นี้วางนั้นก็เจ้าประสเสนอิกศุศนก็ น, นึกชื่นชมยินดีในพราหม์คนนั้นอย่างแรงกล้า แม่พราหมณ์คนนี้มันเป็นนักเสียสละเอาซะจริงจริงเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะประทานสมบัติให้พราหมณ์คนนี้ให้มันเดี๋ยวว่าให้เป็นคนมั่งมีขึ้นมาเลยเมื่อกรับพระราชวังแล้วก็สั่งให้ราชบุรุษเป็นนําเอาพราหมณ์นั้นไปเฝ้าออที่พระราชวังเขาได้สั่งให้ราชบุรุษเอา จัดการนําสิ่งของมามอบให้แก่พราหมณ์คนนี้สิ่งละสี่ละสี่สมมติว่าอย่างช้างก็สี่เชือกควายก็สี่ตัววัวก็สี่ตัวนี่แหละเงินทองก็เห็นจะเป็นสี่อะไรก็ไม่รู้ละสี่ช่างหรือว่าสี่แสนก็ไม่รู้เรีว่าสมบัติสิ่งละสี่ละสี่ แ, แต่สําคัญอย่กับบ้านสวย สี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านนั่นมอบอำนาจให้พรามนี่ไปเก็บภาสีอากรเอามาใช้สอยเลยเอาภรรยาก็สีคนมับ น, นี้นะมันเตรียมงานไปพรามนั่นก็เลยกลายเป็นคนมั่งมีศรีสุขขึ้นมาในปัจจุบันนั้นนี่ที่แสดงมานี่เพื่อให้เป็นที่ระลึก นึกคิดของผู้ฟังทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหานี่มันเหนียวแน่นเอาเสียจริงๆนะนั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญามีศรัทธามีปัญญาอย่างพรามสาดกคนนี้เนะี่ยแม้เขาจะมีเขาจะเป็นคนจนแต่เขาก็มีปัญญาเชื่อบุญเชื่อบาปได้ ดังนั้นเนะ่ะเมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นคนจนเขาไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนเมื่อในปัจจุบันในชาตินี้ถ้าหากว่าไม่ทำบุญอีกก็จะยิ่งต่ำลงไปกว่านี้ก็จึงตัดสินใจสละของที่ติดตัวอยู่ท่านั้น้าห่มผืนเดียวถาวายพระพุทธเจ้าได้นี่ยากที่บุคคลจะทำได้อย่างนี้ นั่นแสดงว่าพรามนั้นได้สละความโลภความตนีออกจากจิตใจได้พรามนั้นมีมีพร้อมหมดให้ทานก็มีสินก็มีภาวนาก็มีบะนี้ก็จึงสามารถทำบุญที่สำคัญที่บุคคลส่วนมากทำไม่ได้ก็เพราะไม่มีไม่มีครบสามอย่างเหมือนอย่างพรามคนนั้นพรามคนนั้นเพื่อนมีครบถึงสามอย่าง ถ้าไม่มีภาวนาเนี่ยฉนันไหนจะเอาชนะความตณิชความห่วงเห็นได้พระศาสดาทรงตรัสว่าถ้าพรามคนนี้ตัดสินใจสละผ้าหม่มผืนนั่นถวายพระองค์ตอนหัวค่ำจะได้รับทานจากพระเจ้าปรเสนี่กศล ส, สมบัติสิ่งละสิบหกสิบหกอย่างถ้าหากว่าพรามคนนี้ไปตัดสินใจ ถวายผ้าหม่มแดพระศาสดาตอนเที่ยงคืนก็จะได้รับราชทานสมบัติกับพระเจ้าเปรสเซนทิโกสนนั้นสิ่งละแปดละแปดแต่วันนี้พราหมณ์นั้นไม่สามารถที่จะสละได้ทั้งสองยามนั้นไปสละเอาได้ยามที่สามนุ่นหัวรุ่งนะอันนี้สงมันก็เลยอ่อนลงกนะ็จึงได้รับพระราชทานสมบัติจากพระเจ้าเปรสเซนิโกสน สิ่งละสี่ละสี่เท่านั้นเองนี่แหละพูดถึงการทาบุญกุศลนี่มันก็ย่อมมีผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดทาง จ, จิตใจขอให้เข้าใจกันไว้พูดทาบุญทั้งหลายนะเป็นความจริงนะบางคนนะ่ะพอคิดว่าจะทา ให้ทานของสิ่งนี้อย่างนี้นะเอากิเลสคือความหวงแหนความตนีมันวิ่งมาส ก, กัดได้เสียเอา้าให้เพื่อนก็หมดตัวสิอย่างนี้แล้วถอยให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีเอาคิดไปคิดมาหลายครั้งเข้ามันสู้กับกิเลสได้ก็จึงตัดสินใจให้ทานได้อย่างนี้มีโยธมไปอ่ะแต่บางคนนะ่ะ ไม่เป็นอย่างว่านี่พอคิดว่าจะให้อย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจให้ได้ทันทีเลยอย่างนี้ก็มีนี่การให้การบริจาคนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือคิดความตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะเบงั้นผู้ใดตัดสินใจให้ได้ตามความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นอย่างนี้เวลาผลมันอานวยให้มันก็อำนวยให้ ได้รวดเร็วอ่ะไม่ชักช้าแล้วให้ให้ผลมากมากเยด้วยนี่มันเป็นอย่างนั้นนั่งนั้นน่ะการทำบุญกุศลทำความดีนี่ว่าแต่ทำจริงๆลงไปอย่างได้อย่างหนึ่งลงไปแล้วนี่ในท้องอย่างนั้นมันก็มันก็รวมกำลังกันเข้าอยู่ในนั่นแหละอย่างว่าให้ทานได้ อย่างนี้แต่ว่าต้องให้ทานได้ถึงสองอย่างนะมันถึงมีศีลด้วยมีภาวนาด้วยเือให้ทานให้อภัยทานด้วยนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วหมายความว่าเมื่อเราให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วใครมายกโทษติเตียน ดุดาว่ากล่าวอะไรในทางที่ไม่ดีไม่งามเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยไม่ตอบโต้ไม่โกรธตอบอย่างนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรความตายเป็นของเที่ยงของยั่งยืนจะไปโกรธกันไปทำไมเพราะร่างกายอันนี้มันจะแตกกระดับอยู่ ไม่จำเป็นต้องไปโกรธกันหรอกไม่จำเป็นต้องไปคิดฆ่าคิดแกงกันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกไปเองมันร่างกายอันนีนะ้จึงไม่จำเป็นนะต้องไปโกรธไปผูกโกรธกันไวผู้ผู้มีปัญญาผู้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติถึงสามอย่างเลยเอาทานก็มีแล้วสิ้นก็มีแับ น, นี้นะ ภาวนาก็มีนั่นแหละการที่เราพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี้เกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นทางภาวนาทางวิปัสสนาญาณออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงมีอานิสงส์มากแบบนี้นะมันจึงมีบุญกุศลมาก บางคนทาบุญให้ทานไม่ได้ดำริตรีตองอะไรมากมายอพอคิดว่าจะให้ทานก็ให้ไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้อา น, นิสงส์มันก็ไม่มากพ อ, อถ้าผู้ใดจะให้ทานเอาไว้แล้วมาดำริตรีตองในใจจนว่ามีเหตุผลเรื่องการให้การบริจาคนั้นมาปรากฏในใจแจ่มแจ้งว่า การที่เรามีสมบัติอย่างนี้มาแล้วอย่างนี้ก็มองดูเราก็เหลือใช้เหลือจ่ายอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องแบ่งสรรพันท่วนให้ทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเพราะสมบัติเหล่านี้ตายแล้วก็ไม่ได้เอาติดตัวไปเลยแล้วเมื่อมาห่วงเห็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรอนอกจา ก, กว่าเมื่อชนตายลงไว้แล้วก็ ตกเป็นของทาญาติไปเท่านั้นเองอ่ะทาญาติถ้าเป็นลูกเป็นหลานสืบมรดกถ้าไปโดนลูกหลานที่ไม่ดีเข้าไปเขาก็เอามรดกนั้นไปขายเอาเงินไปใช้จ่ายปนปี่ไปหมดมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้นั้นก็หมดไปเลยอันนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเลยดังนั้นการที่ ผู้ฉลาดเมื่อมีสมบัติมาแล้วต้องคิดแบ่งกินแบ่งทานไปให้มันตามกําลังเท่าที่หาได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้ผู้ผู้มีปัญญาคิดอ่านอย่างนี้แล้วเกิดปีเตกขึ้นในใจแล้วให้ทานไปอย่างนี้มันก็มีผลมากมีอะไรวิสงมากมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเยาวการให้ทานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลมานนำหนวยให้มันยิ่งมันหย่อนกลัวกันเพราะอะไรล่ะนั่นให้ทานวัตถุอย่างเดียวกันราคาเท่ากันอย่างนี้นะแต่บางคนก็ได้ผลมากกลัวก็เพราะมันอาศัยสติอาศัยปัญญาอย่างว่านี่นะการพิจารณาค่ควรในใจพุ่น จนมองเห็นผลแห่งการให้การบริจาคทานนั้นเจ่มแจ้งเกิดปีติปราโมทย์ในใจอย่างแรงผู้ให้แบบนี้นะมันก็มีอานิสงส์มากกว่าผู้ให้ไปธรรมดาไม่เกิดปีติปราโมทย์ในใจอะไรเลยอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์น้อยกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ให้ทานทั้งหลายนะ เมื่อได้ฟังอุบายอย่างนี้แล้วก็พึ่งฝึกจิตใจขครงตนให้เกิดความคิดความวิจารณ์เรื่องการให้การบริจาคทานมูลนี้ให้มันเห็นแจ้งอย่างที่ว่ามานั้นเรื่องการรักษาศินก็เหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ปัญญาพิจารณาเหตุผลของการรักษาศินนั้นว่ามีผลมีประโยชน์อย่างไรการรักษาศินนี่ ถ้าไม่รักษาสินนี่จะมีโทษมีทุกข์อย่างไรบ้างถ้าไม่น้อมเอาเรื่องสินนี่มาพิจารณาให้เห็นโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะไม่เต็มใจในการรักษาสินเลยถึงว่ารักษาก็ได้รอกชั่วครูชั่วยามเหลือก็หมดไปแล้วสินนั้นนะไม่ไม่สม่ำเสมอไปได้ ถ้าผู้ดใดได้มาน้อมใจพิจารณาดูเรื่องศีลที่พระพุทธเจ้าทรงวัญญัติให้พุทธบริษัทสมทานแล้วปฏิบัติตามนั่นนะแท้จริงน่มันเป็นคอบบังคับกายวาจาให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงามไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนนี้ขอ้อศีลต่างๆนั้นนี่นน การที่คนเรานไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล้มให้ตายอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสินเลววิในัยให้แก่พุทธบริษัททั้งภิกษุตามาเนนทั้งทา ย, ยกทา ย, ยิกาก็มีอย่างนี้เองนั่นแหละ สำหรับพิสูจน์สามนเณรนั่นเลยว่าสงบัญญัติข้อห้ามให้ละเอียดที่ถ่วนไปกวาชาวบ้านเพราะว่าเป็นอูดมมเพศเป็นผู้มีเพศอันอุดมเป็นผู้มีความประพฤติอันละเอียดอ่อนเข้าไป อ, อย่างนี้เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากทุกภัยในสงสารไปได้โดยรวดเร็วกวัวผู้ครองเรือน จึงได้ทรงบัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาไว้มากกว่าชาวบ้านนี่มันต้องให้เข้าใจผู้เป็นนักบวชก็ดีตนสมัครใจอยากจะเพียนพยายามละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตนี้โดยเร็วไม่อยากให้ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหานีไปนมนานก็จึงได้น้อมบัวเข้ามา ขอบวชในพุทธศาสนานี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่คิดเห็นโทษของกิเลสตัณหาไม่คิดอยากจะละ ก, กิเลสตัณหาอย่างว่านี่มาบวชตามบาเบญนีนิยมเฉยๆนั่นมันก็ไม่อันนี้ไม่ได้อานิสงฆ์มากอไม่ได้อานิสงฆ์มากแล้วดังนั้นนะต้องน้อมใจไปให้มันถูกทางการบวชมันถึงได้อานิสงฆ์มาก นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะล้วนแต่เป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมานทิสิสสัพสังกิเลสต่างๆนี่ให้น้อยเบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้พากันเข้าใจดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลา ขอยุติลงเพียงเท่านี้